ตอนชาญยานที่เกิดเองเป็นเองเนื่องมาจากการทิ้งความมีตัวตนก่อนหน้านี้หลายหลายท่านเขาได้เข้าใจเรื่องชาญยานอันเกิดขึ้นจากการเอาความมีตัวตนเข้าไปทำกันแล้วท่านก็ได้เห็นแล้วว่า มันไปคาแค่สมาบัรแปดพอตายก็ไปเกิดในแดนอรูปประพง์ซึ่งในสมัยพุทธกาลอารันดาบดและอุทกดาบดเป็นหนึ่งครูสอนกรรมฐานแก่พระพุทธองค์ก็ไปติดอยู่ชั้นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดไม่ได้พรมชั้นนี้มีอายุยืนนานมาก พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และบริมิตรพานไปแล้วหลายพระองค์พรหมชั้นนี้ก็ยังออกไม่ได้ยังไม่หมดอายุระกรรังมันเป็นสภาวะที่มีเฉพาะตัวรู้เท่านั้นมันว่างมากๆเวิรวางเหมือนอวกาศอันกว้างขวางไร้ขอบเขตแต่อรูปประพรมชั้นนี้ไม่อาจจะเฉลียวใจ ไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามันยังมีตัวตนในรู้อยู่มันยังมีตัวมันเองในรู้อยู่แต่มันละเอียดอ่อนมากไม่อาจจะเห็นได้เหมือนกับความมีตัวตนนั้นกลืนเป็นเนื้อเดียวกับท้ารู้นั้นมันเหนียวหนึบในตัวมันเองมากๆจนออกมาจากตัวมันเองไม่ได้ และภูมิชั้นนี้หากใครเป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นไว้พอตัวเองตายแล้วไปเกิดในชั้นนี้หรือชั้นอื่นๆก็เหมือนกันหากลูกศิษย์ลูกหายังคงปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนอยู่ไม่ว่าเป็นคนหรือไปปฏิบัติอยู่ในภูมิชั้นไหนกรรมวิบาก ที่ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติตามนั้นจะลิงไปหาครูบาอาจารย์ผู้สอนด้วยมันจะค่าใช้กรรมอยู่อย่างนั้นตลอดเหนียวหนึในตัวมันเองอยู่อย่างนั้นตลอดออกก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เพราะจิตมันหนืดออกไปไหนไม่ได้จนหมดอายุรกรรมไปเอง เหล่านี้คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงสะท้อนให้เห็นกันจริงๆแต่สำหรับผู้มีปัญญานั้นเมื่อท่านฉเฉลียวใจตรงนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่าไร้ประโยชน์ที่จะไปทรมานกายทรมานจิตเพราะสุดท้ายแล้วกรรมฐานก็ไปพ<อ>าแค่สมาบัตแปด 8. วิปัสสนาก็ไปทาอยู่แค่นิพิทายานเพราะความไม่รู้หลงรู้หรือรู้มาแบบผิ ด, ผดตั้งแต่ตน้นที่เชื่อเพราะฟังตามตามกันมาเชื่อเพราะครูบาอาจารย์บอกเชื่อเพราะตำรามันเขียนไว้โดยไม่อาจจะรู้ได้ว่า ตัมรานั้นปุถุชนแปลหรือพระอรหันแปลจริงๆแล้วแยกแยะได้ไม่ยากครับหากท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายฟังแยกแยะได้ด้วยตัวท่านเองว่านิพพานธรรมหรือโล ก, กุตรธรรมนั้นพระพุทธองค์ไม่มีทาง ที่จะกล่าวเนื้อหาธรรมที่มีความหมายขัดกันและท่านไม่มีทางกล่าวว่าให้เอาอัตตาเข้าไปทำเพื่อให้เกิดอนัตตาให้เอาความมีตัวตนเข้าไปทำเพื่อให้เกิดความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนธรรมชาติ เหมือนเส้นขนานสองเส้นที่ไม่มีวันได้มาบรรจบกันทีน่นี้ชื่อเรื่องผมพูดว่าชาญญาณที่เกิดเองเป็นเองเนื่องมาจากการทิ้งความมีตัวตนนั้นมันเป็นอย่างไรมาดูกันครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำอะไรเลยกับกายกับจิตเพราะกายนี้ ยังไงมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปอยู่แล้วเมื่อหมดอายุไขจิตนี้มันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นไม่จัดว่าเป็นอะไรได้อยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นแต่ผู้ดูชนหรือจิตวิญญาณในชั้นภูมิต่างๆนั้นสำคัญผิดคิดว่าตัวเองมีตัวตนจริงๆ ก็เลยแบกข้ามพบข้ามชาติเวียน่หยตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนิพพานธรรมหรือโลกุตรธรรมนั้นแค่ปลงตามวางตามจบตามดับตามนิพพานตามที่พระพุทธองค์กล่าวไม่ใช่เอาความมีตัวตนเข้าไปปลง ไม่ใช่เอาความมีตัวตนเข้าไปวางไม่ใช่เอาความมีตัวตนเข้าไปจบไม่ใช่เอาความมีตัวตนเข้าไปดับและไม่ใช่เอาความมีตัวตนเข้าไปนิพพานเพราะสุดท้ายมันจะคาความมีตัวตนเป็นตัวสุดท้ายให้สีเวลายืดยาวสะเอง แค่วางกายวางจิตวางทาานวางขันวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยในภายในมันจะหมดความสำคัญตนว่ามีตัวตนไปเองครับของโลกิยธรรมหรือธรรมอานั้นต้องฝึกอย่างเดียว แต่ของโลกุตระธรรมนั้นยิ่งเข้าไปฝึกเข้าไปธรรมเพื่อเอานิพานยิ่งกลายเป็นกิเลส ต, ตัญหาอุปท า, านร้อย0 0ันยืดยาวโลกุตระธรรมนั้นเมื่อวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยในภายในจะเริ่มเห็นภูมิชั้นอื่ น, นไม่ว่าภูมิสูง หรือภูมิต่ำเห็นขึ้นมาด้วยตาเปล่าแบบแวบๆลางๆเผลอหันไปเห็นอะไรแบบนั้นแต่พอตั้งใจมองอย่างรู้ให้ได้ว่าคืออะไรมาจากไหนมาให้เห็นทำไมมันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีจะเริ่มได้ยินเสียงที่คนปกติเขาไม่ได้ยินกัน แต่พอตั้งใจฟังมันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมาบางังทันทีเมื่อเข้าไปค้นหาว่ามันคืออะไรอภินยาตรงนี้จะหายไปหมดสภาพไปด้วยอำนาจกิเลสที่เข้ามาบางังก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องให้ความสำคัญให้วางไปเรื่อย วางกายวางจิตวางธาตุวางขันวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยในภายในจนถึงจุดหนึ่งอาสาวกขยายานจะเกิดขึ้นเองอาสาวกคย า, ยานเกิดขึ้นเมื่อไรวิ ช, ชาสาม า 16, ญ, ญานสิหกอภินญาหกเกิดขึ้นเองทันทีและไม่มีเสื่อมด้วยพอยานอภิน ญ, ญาเหล่านี้เกิดขึ้นเองแล้วจากการวางฤทธ์เหล่านี้ไม่สําคัญฤทธ์เหล่านี้ไม่ใช่อะไรไม่ให้ความหมายความสําคัญกับฤทธ์เหล่านี้ ทิ้งกระทั่งฤทธิ์ของหยาบก็ทิ้งของทิพก็ทิ้งตาทั่วก็ทิ้งตาทิพก็ทิ้งอาสาวะขยยะยานจะหมดสภาพไปเองเกิดเป็นปฏิสัมพิทายาณขึ้นมาแทนตรงนี้ปัญญาจะบรนเจิดมาก แสดงธรรมได้อย่างพิสดารทั้งศัพท์สื่อภาษาวาทะเหมือนตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยก็มไม่ปานเมื่อปฏิสัมพิทายานเกิดขึ้นแล้วไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นปัญญาของเราทิ้งปัญญาเหล่านี้ให้กับธรรมชาติให้กับ สัตว์จะทำไปปฏิสัมภิทายานจะหมดสภาพไปเกิดเป็นอิทธาภิสังขารขึ้นมาแทนอิทธาภิสังขารคือฤทธิ์ที่อุปปลกขึ้นมาใช้เองได้เลยแค่เปลี่ยนสมมุติเอาใช้งานได้กว้างมากและไม่มีข้อจำกัดในการใช้ เช่นจะเดินบนน้ําจะอุบ ป, ปโลกเอาว่าดินนี่คือดินแล้วก็ก้าวเท้าเดินบนน้ําไปเลยจะเดินขึ้นบนอากาศก็แค่อุบ ป, ปโลกอากาศว่าดินนี่คือดินแล้วก็ก้าวเท้าเหยียบอากาศขึ้นไปได้เลยเหล่านี้เป็นต้นครับคราวนี้ ก็วางไปเรื่อยว่าฤทธ์เหล่านี้ไม่สำคัญฤทธ์เหล่านี้ไม่ใช่อะไรไม่มีประโยชน์อันใดไม่จํากัดว่าเป็นของของเราฤทธ์เหล่านี้ไม่ยิ่งไปกว่าการทาคนหรือจิตวิญญาณอื่นๆให้รู้แจ้งในธรรมให้พ้นทุกข์ ให้จบพบจบชาติได้ฤทธิ์ที่เป็นอิทธาภิสังขานี้ไม่ให้ความหมายสำคัญกับฤทธิ์เหล่านี้ิ้งแม้กระทั่งฤทธิ์อิทธาภิสังขานจะหมดสภาพไปอนาวรยานจะเกิดขึ้นมาเองจะสามารถรู้วาระดำ ความเป็นมาความเป็นไปของสัพสัทธ์ไม่ว่าภาคจาหรือภาคทิพที่อยู่ต่อหน้าติดขัดข้องคาเรื่องไหนมาติดกรรมแบบไหนมามีจริตนิสัยอนุสัยอย่างไรมีวิบา ก, กรรมอะไรบ้างที่เป็นเครื่องรั้งเครื่องถ่วง ในการบรรลุธรรมจะใช้คำพูดแบบไหนสื่อสัพท์ภาษาอย่างไรถึงจะทะลุทะลวงจบตามนิพพานตามได้นี่คือฌ า, านญาตอันเกิดเองเป็นเองเนื่องมาจากการทิ้งความมีตัวตนไม่มีเสื่อม เพราะไม่ได้มุ่งหวังตั้งเอามาตั้งแต่ต้นครับ